กาตีธรรมก็มาหลายคนมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเกิดความเป็นธรรมต่อกายต่อจิตใจลองเริ่มต้นที่นี่กันแล้วพวกเราเพราะว่าในโลกนี้มี mm hmm. พวกเราในแล่อยู่ในโลกอยู่กับดินกับน้ากับอากาศ mm hmm. กับ เสียงแหวนล้อมต่างๆถ้าว่าเราไม่ดีมันก็เพี้ยนไปทั้งหมดเลยแต่นี่ก็กำลังก้างบนกันเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ <c oughs> ที่เขาจะทำลายโลกก็ในโลกนี้นก็มี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 จะให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกสัพพสิ่งจะเริ่มต้นตั้งตัวตัวเราเรียกว่าปฏเกิกิพุทธะนับหนึ่งจากตัวเรานับหนึ่งจากตัวเราก่อนการปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญสติให้ความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตั ว, ว, ตวเข้าไปปะไปปดกับสิ่งต่าง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 ความรู้สิกตัวอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เป็นธรรมแความลงอยู่ที่ไหนที่นั่นก็ไม่เป็นธรรมเราสร้างกันสร้างให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกสรรพสิ่งเห็นมางสามาวดีเป็นลูกสะพ้ายของเศรษฐี เศรษฐีตั้งลงทานคนวันรับทานจากพ่อเศรษฐีไปเศรษฐีวันละหลายคนวุ่นวายกันเกี่ยวเจ้าแล้วก็ลึกคึกโคมสามาวดีก็ เ, เอ๊ะทำอะไรให้เกิดความเป็นธรรมไม่ต้องไะแย่งกันสามาวดีก็ล้อมลวกให้เข้าทางหนึ่งให้ออกทางหนึ่ง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 แล้วก็บอกแจกเหมือนเดิมทำไมวันเนียเป็นผิดปกติก็สร้างรั่วให้อะโให้ออกครัางนนอ่ะเราเลยช่วยกันให้วั น, ด, นดีหลายคนหลายคิดหลายคนหลายทำความดีก็ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในสิ่งต่างๆในโลกนี้นอกจากเราจะทำตัวเราแล้ว ทำกายทำใจแล้วแล้วก็มีสิ่งอื่นที่เราจะต้องทำไปพร้อมๆกัน <c oughs> <c oughs> หลายๆอยา่างดูแลธรรมชาติรักษาธรรมชาติเสี่ยงแวดลอ้อมดูแลเพื่อนบ้านวัตถุสิ่งของอย่าเปียนเปลียนกันแล้วก็สร้างความสงบร่มเย็นชักชวนคนหน่นชักชวนคนนี้ ไปทำความดีไปปฏิบัติธรรมแม้เรายังไม่มีธรรมก็ชวนคนอื่นไปด้วยเหมือน <c oughs> อคนดังสมัยไปบวชกับพระพุทธเจา้าเนี่ยโนรุทธะอนุนอบ <c oughs> บาลีอบ <c oughs> บาลีใครบ้างใะไอ้คีลองคอยจำไมแล่ะ ยุคคนดังไปบวดแต่ว่าอนุรุทธาอนุนเนี่เป็นกษัตริย์ตะโกนกษัตริย์อุบาลีเนี่ยเป็นอตชช่างกันบทกันบกลูกชายนายช่างกันบกคือนายช่างตัดผมไม่ใช่กษัตริย์ แต่ว่าพวกก็อ้ออนนล อ, อ น, นุทธาเนี่ยพกอก็อะไรอีกละ่ะฮะหลายคนอ่า้วเลยมาตกลงกันว่าพวกเราเนี่ยมาด้วยกันห้าหกเจ็ดคนน่ะให้ให้อุบาลีบทกรมู่เพื่อเราจะได้ลดมณทิทิของเรา เราว่าเราเป็นกษัตริย์ก็จะไปข่มพวกนี้ให้อุบาลีบทก่อนเพื่อจะได้เป็นเทระพวกหนั่งก็เป็นนวเออ เ, เป็นอะไรนะเป็นพันเตเป็นผู้น้อยเป็นผู้ใหญ่จะได้เขาลบอุบาลีให้เลยให้อุบาลีบทก่อนคนดังไปบทเพราะว่า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 อนุนก็กล่าวขึ้นมาเป็นกดเสริมเป็นคนแสดงทำให้ที่นั่นบรรยากาศช่างสันเดียขาดอนุ์ไม่ได้แล้วก็อุ่นอกปนใจเพราะอ น, นุ์พระสงฆ์ทงปวง <c oughs> <c oughs> จนถึงโน้นพระพรุทธเจ้าปิทิ่ผ่านไปแล้วอนุ น, นยังไม่บรรลุธรรมเลยก็เกิดปัญหาขึ้นเรื่องสุรัทภริพราชก พ, พระเจ้าปริญญาได้เกิวันเกิดการแตกแย ก, กขณะมหากัรสภาได้ยินอุบสุภัทภปริญญาชกผูดออกมาระหว่างเดินทางมหากัรสภะเดินทางไปพบ พ, พระเจ้านให้ข่าวปรินิญญานพอเห็นสุว่าถ้เดินทางสวนทางมาก็ถามถึงพระพุทธเจ้ามหากัรสภะ สุภธาปริพาชกองนั่นพระปวดเมื่แก่สถานาที่มาหากระสป่านี่เป็นพระป่าไปไม่ทันเข า, ามันอยู่ไกลไปถามว่ากระตือกระลน้นเป็นยังไงพระปุธเจ้าพระศาสดาของเราเป็นยังไงกระตือรล้นที่จะอยากทราบขาบ่าวแต่สุภทาปริพาชกพระแก่อองนั่นถามเลยตายไปแล้ว พอเรียนว่าพระเจ้าตายไปแล้วเลียพันไปแล้วพวกพระทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของมหากัเจฟาก็เสียใจบางคนที่เป็นผุ้ดุชนก็ร้องห h มร้องไห้สแสดงถึงความเสียดายความอะไรความคิดถึงความเสียดายมหากรเจฟาก็ปลอบใจพระสงฆ์ทังปวงแล้วจุปทาปริ พ, พรเาเจ้าก็นั่งเหรอ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 ไปเศ้าไปเศร้าไปศบของพระเจ้าก็ตอนนั้นก็ทราบว่าตามตำนานก็ทราบว่าเขาก็หลังจุดพระเพลิงอย่างนั้ก็ไม่ก็ไม่ลุกก็ไม่ไม่ม้รอพระมากรจะปะตามตำนานใช่ไหมพี่ขี่ตามตำนานว่าอย่างนั้นนหะแต่ว่าจำอะไรดอกก น, นี่นะไม่ใช่ไปเห็นอะไรมาอันนี้พูดเรื่องของความจำไว้ใช่ธรรมะแต่เราให้เป็นส่วนประกอบ เล็กๆในน้อยไปเรื่องของผู้ปฏิบัติธรรมมาทำหน้าที่ช่วยกันไปถ้ากวดว่าพระมหาจ ะ, ะไปไปกราบเอาบาปบาปบาปของตัวเจ้ามาใส่หัวของตัวเองใส่สศีรษะของตัวเองกร <c oughs> าบลงการจึิถวายพระเพลิงพระเพลิงจึงลุกขึ้นไหมสิวล า, ส, าสักศร พออร่อยกระเพิงจบพม่ากัจจปะก็มาปราลกเครื่องความคิดแต่แก่ของหมู่สงให้พระสงฆ์ท่องปวุงฝังทำสังขยากันแล้วก็พระอนนุนยังไม่ได้เป็นพระรหันปกหมู่สงท่งปวุงก็อ่าก็ไปบอกพระอ น, นุนขาดอนุนไม่ได้เพราะอนุนเป็นพ่อหัสูตจําอะไรได้เยอะ เพื่อที่จะมายืนจัดต่อพระพเจ้าสอนอันใดเรื่องอะไดที่ไหนทําอะไรแต่ต้องผู้ที่จะทําสังขยาณาต้องเป็นพระอรหันต์เป็นพระขีณาสกอา น, นุนยังไม่เป็นพระขีณาสกเลยแต่ว่าทํางานมากลองรูสิคนไม่เป็นบรรลุธรรมสามารถทํางานได้เยอะในที่สุดพระนรนทร์ ก, นนตก็ตั้งใจปฏิบัติทำ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 ดูลมหายใจอาจารย์นั่งสร้างจังหวะหมันฟังเราก็ได้เพราะการพูดฉัเนเข้าการเหยียดฉันดอกเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่านอนกอ็ขอเอนหลังสักหน่อยหลับสักต่อยเีบสักต่อยเราทําความเพียรมาทั้งคืนแล้วเพราะจะต้องมีกําลังสู้อีกกลางวันในวันนี้พอล้มลงหัวยังไม่ถึงหมอนบรรลุทําเลยนะ่างดีอ่ะอ ก็ก้วเลยไอ้วันนันหมวสงฆ์ทั้งปวงก็มากราบถามอะไรแต่ไงไอ้นนท์เออนราพอความอาจจะพูดมันพระพริชเจ้าไปพอสิ้นแล้วจบแล้วประมวจันอยู่จบแล้วพอเข้าประชมุมสังฆทนากันการผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรม ก็มีโอกาสที่จะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกสปปรรพสิ่งได้เป็น mm hmm. วันนี้พวกเราจะไปไประชุมกันเรื <c oughs> ่องล่มน้ำลำพันธท้าวที่วัดโเขาวทองบ้านเท้ามาปลหวานเพื่อช่วยป่าช่วยดินช่วยน้ำช่วยอากาศก็อให้พวกเราได้อยู่เย็นเป็นสุข <c oughs> จะรอให้คนบรรลุธรรมทั้งหมดกว่า กว่าดินกว่นาน้าจะเกิดความเป็นธรรมมันก็ไม่ไหวที่แล้วต้องช่วยกันเคยมีอะไรที่เป็นประโยชน์เพื่อคุณก็ช่วยกันทำอย่าอยู่เฉยๆเธ อ, เอเพวกเราอย่าอยู่นิ่งโดยไม่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ประโยชน์เจอตนประโยชน์จอ์ต่อท่านประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ประโยชน์ต่อพระศาสนาประโยชน์ต่อญาต ญาตทัตตาจิริยาประโยชน์ต่อญาติเราเราก็เป็นญาติกันนะโลตัตตาจิริยาประโยชน์ต่อโลกพุทธทิพุทธัตตาจิริยาประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาให้มีความสงบร่มเย็นแก่ผู้เจอคนที่มาเห็นเป็นที่พึ่อนพาใส่แสดงควาเป็นมิมตรไมตรี ต่กันเลยกันอย่าทะเลาะวิวาทอย่าอิจฉาปฏิบาทกันแม้เราังไม่บรรลุธรรมก็ทำได้ไปพร้อมๆกันในความดีให้เกิดความเป็นธรรมใช้ชีวิตเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางกายทางวาจาทางจิตจากทำะไรให้เป็นการเดือดร้อนอะไรแล้วก็มีวัดปฏิบัติเป็แบบฉบับมีศีลมีทานมีภาวนาทำไปพร้อมๆกัน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 ก็ยากเหมือนกันต้องเริ่มอะไรที่ไปพร้อมๆกันแม้แต่เราเลยมาปฏิบัติธรรมเลยเจริญสติก็ต้องมีอะไรที่มันสิ่งเว้นรอบมันดีๆนะพยายามทํากายทงใจถูกคุ้มรอบขอบวอนยมไม่มนวนอย่าเป็นคนจริงจังจนหน้าดำคำเครียดทําซื้อๆหลวงปู่เทียนบอกว่าทําซื่อๆ บางที่ท่านหลวงบอกทำลิศลิศทำอินอินมั่งเลยเขาสานมั่งเลยอินอินทําอินอินทำลิศลิศเล่นเล่นคำว่าทําเล่นเล่นเนี่ยมันมันลึกซึ้งนะทำบริสุทธิ์ไม่ค่อยไม่ได้อยากโลยาก็นจะเอากิงเอาจังเพื่อที่จะได้บรรลุธรรมเพจะได้ไปให้เป็นคนดีคนเด่นเป็นคนมี คนนับหน้าถือตามีพวกพ้องบริวารเอาผิดแล้วไปคิดอย่นั้นผิดแล้วทําซื่อไม่เสติสามัญชนยะลูกจะตัวทั่วพร้อมไปแล้วก็เล่นมันฟรีมันมันทำํำเปล่าๆไม่ต้องการอะไรที่เป็นตอบแทนแต่เป็นการให้ก็ให้ฟรีให้ชีวิตฟรีๆปฏิบัติธรรมฟรีๆไม่ต้องการอะไร รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆรู้ด้วยความบริสุทธิ์มันฟรีมันมีสองอย่างนะฟรีแบบไม่เป็นกรรมถ้าโกรธฟรีๆไม่เอาหัวไม่โกรธเกับขึ้นมาแล้วก็ฟรีแบบป่าเถื่อนว่างแบบเถื่อนว่างว่างแบบมิจฉาทิฏฐิหลงก็ให้มันหลงไปฟรีๆงนันฟรีคนละอย่างอันนี้ให้รู้สึก ซื่อซื้อมันหลงก็กลับมาแล้วก็ทำความหลงให้เป็นความรู้แล้วแล้วก็ไม่ไปเอาความรู้ที่เป็นว่าเราชอบไปใช่รู้ซื่อซื อ, ซ อ, อีกเหมือนกันแหละอ่ามันหลงก็อย่าไปโกรธความหลงมันทุกข์ก็อย่าไปโกรธความทุกข์ไม่พอใจในความทุกข์เครียดไปเลยทำไม่ได้ทาไม่ได้คนนั่นเขาทาได้อ้าไปอีกแบบหนึงแล้ว อาไปเอาอะไรอฏิบว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ไไดเครียดทุกข์เอาก็ไปอีกเลยมันไม่มันไม่มไมซื่อซื่อมันเอาอะไรจะเอาถูกเกลียดความผิดอยากได้สุขเกลียดความทุกข์มันไม่มีทั้งสองอย่างความสุข ก, ก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีดอกมันมีแต่ตัวรู้ซื่อซื่ อ, อ น, นี้ถูกต้องหรอกนี่คือการปฏิบัติทำสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะ การปฏิบัติธรรมต้องสร้างสิ่งแวดลอ้อมให้มันชอบหรือว่าอยู่โดยชอบบางทีแม้แต่เราอยู่สุขโตหรือนั่งอยู่ศาลาหอไต้ด้วยกันฟังทำอยู่ขณะดนี้มันก็อาจจะไปอยู่โดยชอบก็ได้มันทำอะไรยอยู่ก็ไม่รู้อาจจะเออหลวงพ่อพูดดีนะเออหลวงพ่อพูดไม่ดีนะอ๋อคนนั่นทำอย่างนั้นนะวันนี้ทำอย่างนี้นนะอาอเขาไปไปกระตุกกระตั ก, ดดก อยู่ที่ไหนส็ไม่รู้ฟังซื่อซื่อใครพูดอะไรก็ฟังซื่อซื่อเขาพูดดีก็ฟังซื่อซื่อเขาพูดไม่ดีก็ฟังซื่อซื่ออย่าไปเอาความชอบอย่าไปเอาความไม่ชอบอย่าไปเอาผิดอย่าไปเอาถูกมันเป็นโลกนะมันยังไม่ออกจากโลกเลยยังไม่ได้ดูโลกเลยถ้าเป็นผู้ผิดถ้าเป็นผู้ถูกถ้าเป็นผู้ชอบถ้าเป็นผู้ไม่ชอบมันยังอยู่ในโลก มันจะไม่มาดูโลกเลยคนที่อยู่ในโลกมันจะเห็นโลกได้ไงเหมือนกับใช่ดินใช่เดือนอยู่ในดินก็ไม่เห็นดินออกมาดูมาดูเห็นนั่นแหละมันเกิดอะไรก็เห็นเห็นโลกเห็นไปเห็นมาก็เห็นแง่เราดูกายเราเห็นกายเคลื่อนไหวไม่ใช่เอาตาไปดูอะไรที่เห็นมัน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 มันมีทั้งความหลุดพ้นมีทั้งภูมิใ์มีทั้งวิมุตติมีทั้งมรรคมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถ้าเป็นภาวะที่เห็นมันก็ต้องเห็นนัน น, นนู้นนั่นนี่อยู่นั่นละในกายในใจของเรานอกกายนอกใจเราก็มีเยอะแยะไปหมดเลยเราจะรู้นะกายเป็นภาวะที่เห็นเห็นแล้วไม่เป็นรู้ดูอย่าไปอยู่ แล้วก็คำว่าดูก็อย่าไปอยู่ดูแล้วก็เห็นดูเลยดูเลยก็ได้เห็นมันร้อนมันสุขประโยชนกับความสุขประโยชนกับความทุกข์ประโยชนกับความร้อนประโยชนกับความหนาวประโยชนกับความปดความเมื่อยเขาแสดงให้เราแล้วก็เห็นเราก็ดูดูแล้วไม่ต้องเข้าไปอยู่ดู เพราะว่าที่ดูเป็นตัวมร์เพราะว่าที่ดูที่เห็นเป็นตัวมร์ปฏิบัติแล้วนะั่นหละตัวปฏิบัติถ้าดูก็เห็นไม่เข้าไปอยู่ถ้าอยู่ไม่ไปแล้วหยุดแล้วมันเดินทางมรกคือเดินไปเลยเลยคือเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นดูแล้วไม่เข้าไปอยู่มันแสดงให้เราเห็นอะไรต่างๆเห็นความปวดความมื่ยเห็นกายเห็นความคิด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 ีว like anyway, ิตของเราควรที่จะเป็นผลลัพธ์ที่มันถูกต้องมันเฉลยความโกรธหือว่าเป็นการบ้านความทุกข์ถือว่าเป็นการบ้านความหลงถือว่าเป็นการบ้านมันก็เลยพลาญพลังเล่าเฉลยได้ความทุกข์ไม่เป็นการบ้านความโกรธเป็นเป็นการบ้านความหลงไม่เป็นการบ้านสํำรับความชังไม่เป็นการบ้านมันเฉลยไปแล้วมันมีค่ในศาสตร์ในชีวิต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 เห็นกายนั่นคำว่าเห็นกายมันก็ไปทั้งหมดแล้วเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นลูกเห็นน้มเห็นลูกทุกเห็นน้มทุกเห็นทุกของลูกเห็นทุกของน้าอ๋อถ้าได้เห็นแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงแาะว่าที่เห็นน่มันก็ต้องมีการกระทบอยู่ดนตัวซิ่ง มาสักหมอตรวจโรคคนไข้เห็นสมุดฐานของโรคออกคนขวยเข้าไปแก้ไขโรคให้โรคหายโดยวิธีใช่ตามอาการต่างๆตัวปัญญาตัวพุท ธ, ธะตัวไหนเป็นคู่กับไปกำจัดความทุกข์หลวงพุทธ โมทุกขสะคาตายจะวิขาตาจะให้ตัดเสมภะพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกําจัดทุกอ่ะก็เป็นนาทีนั่นตั้งโมทุกขสัคาตายจะวิขาตาจะให้ตัดเสมภะทำเป็นเครื่องกําจัดทุกขสังโคทุกขสะคาตาจะวิขาตาจะให้ตัดเสมภะสองเป็นเครื่องกําจัดทุกอ่ะมันก็เป็นทํานองนี่มังเปจนอางนั ก็เป็นสิ่งคู่คู่กันไปทำหนงนั่นแต่ถ้าเราไม่ไม่ทำถ้าเราไม่ไม่ทำมันก็ไม่ไม่อะไรพระลุงพระหลังบ้าหอบฟางพาลาหาเววันจขันธ์ถาเอ็นพาลาพระลงพรหลังพา ล, ลานิเคปนังสุขขังพระลงพรหลัง พ, งพระอริเจ้าสลัดทิ้งของหนักกรงเสียแล้ว ไม่หยิบเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกอมันไม่พลาญพลังเพราะภาวาที่ดูที่เห็นมันเห็นเห็นทุกโูกทุกน้ำทุกพอเห็นทุกก็กำจัดทุกไปในตัวโูกโลกน้ำโลกบางอย่างก็กําหนดลูกไม่ออกมาเป็นทุกลูกทำน้ำทำมันทําดีทําชั่วทําดี มันก็สร้างสัตว์ทาชั่วมันก็ละความชั่วไปในตัวเสร็จภาวะที่เห็นแล้วก็ไปเลยๆโ ล, ลกสมมุติน้ําสมมุติสมมุติบัญญัติวัตถุอาการปรมัติรยอาการที่ทําให้เกิดวัตถุวัตถุทําให้เกิดอาการตาก็เป็นวัตถุเห็นลูก เป็นวัตถุเป็นอาการระหว่างวัตถุกับวัตถุเหมืนเอาค้นไปตีค้องค่องก็คลางหนื่นเหนนหนนเหนอย่างที่เราได้ยินบางทีเรานอนกําลังหลับอยู่ก็มีโอ้พอนอนเลยมันหลับไปเสียงค่องปุ๊บโอ้ยดีใจใช่ไหมหรือโอ้ยขีเกียจขี้ข้านหรว่างั้นเลยโอ้ยขอบคุณผู้ตีค้องเลยจะได้ช่วยก็ขอบคุณหรือว่า โอ้ยไมอยากได้ยินเสียงค้องอาภาปิดหูที่เกียดลุกว่าไปอีกแบบหนึ่นงนะหะหอกคอนเป็นวัตถุของก็เป็นวัตถุไปสัมผัส ก, ก็ดังออกมาตากับลูกก็เป็นวัตถุพอสัมผัสก็ดังออกมาคลางออกไปเรียกว่าเกติสิกออกไปก็เอา้าสมมุติไปต่อเยหระบันจัดชอบไม่โชะ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 โลกแห่งสมมติหนูโถดินพ่อขางหมูนะน้อยไปก็ลงพลังไปแล้วหนักล้วรวะหนักมนรอยเห็นโลกทุกตามทุกโลกโ ล, ก, ลกตามโลกลูกสมมุติน้มสมมุติเห็นบัญญัติเห็นวัตถุเห็นอาการเบาวิ้วอะไรวะเนี่ยเขาเดนประตูธรรมอะวรวะเบา ไหวพลงพลังแล้วเป็นกาลแล้วหัวตาเบากายจิตต่แล้วหตาเบาเกิตนะมาจะว่าหาบหาบหน่อไมอ้เคยหาบหน่อไม้แต่ก่อนนะหาบหน่อไม้คนแล้วบ้านทาตุคไปบ้านน้องแกเป็นชเช้าก็มาหาบตะกร้ามาเก็บหน่อไม้เลยดูนี่แหละเอาใช้จนแข่งกันคนไหนได้ร้อยสองร้อยหนอ่อ อวดกันอาบโอ้แอาว่ายกไม่ขึ้นตั้งแต่อยู่หลังเขานี่แหละต้องนั่งลงนั่งลงก็เอาไม้คานใส่บา่าลุกขึ้นเสซักเซียใจไปอาบหลงเขาล่มลุกคุกคานไปไต่คันนาไม่มีทางโลกหลังมันตัวนี้ฝนตกลื่นล้มลงปัญ น, นาลกล่มลุกคุกคานไปหนักไปทั้งยี่สิบกิโล จากโพกเขาไปบ้านน้องแกพอจะเข้าบ้านมีคนมารับหบอบเพราะเขาาหาบอกเกืบ้่าเดินไม้เป็นเลยไม่เพี้ยนมันเบาโอ้ยบเบาเถอะมันหนักไปตั้งหลายชั่วโมงะพอเขามาหาหน่อไม้ออกเกบบ่าแล้วเดินเซ ส, สักเซโซไปเลยเอมันเบากายแล้วหัวตาเบากายเป็นอย่างนั้นนะปฏิบัติธรรมเลยเบานะ อยากให้คนอื่นมาเห็นธรรมโลดธรรมอยากไปอยู่ในโลกสมมตุติอยาไปอยู่ในโลกบัญญตัติมาอยู่ในโลกปรมัตสัจจะความไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรอะไรจะได้บอสในเพื่อนน ะ, ะไม่เป็นอะไรกับอะไร อ, ะอยู่กับโลกอยู่กับร้านนะเกี่ยวกับโลกไปไห ไ, ไม่เป็นอะไรกับอะไรแล้วก็ ช่วยกันอย่างนี้แหละแค่น้อยเราก็ไม่ทํำไ้อันอื่นเดือดร้อนเพราะตัวเราเดียวเราอยู่ป่าก็ไม่ให้ป่าเดือดร้อนเราอยู่ดินก็ไม่ให้ดหินเดือดร้อนบางทีเราก็ช่วยไม่ให้เขาเดือดร้อนเช่นต้นไม้ hm จริงไม้มันหักลง ม, มาทับต้นไม้เล็กๆเราก็ไปยกเขาออกเกี่ยวกันแล้วก็ช่วยเขาทบางๆ ท, ที่เราไม่ทำํำเราก็ทําอยู่พ อ, อเห็นอะไรที่มันไม่เป็นธรรมต่อต้นไม้ต่อแผ่นดินอ อั น, น้เก็ช่วยเขาไม่เิ่งขยะลงในผืนน้าลงในดินนี่เนีเมื่อเกิดไม่ช่วยเราก็สร้างด้วยอสร้างด้วยโอ้กต้นไม้ที่น้นที่นี่ด้วยตับพงวันน่นแลนนี่ไม่ดีให้มันดีด้วย อ, อันนี้แล้วเราก็ทําไปช่วยกันไปช่วยตัวเราประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน อ่าในายไรก็บอกก็ช่วยกันดึงกันไปดึงกันมาไปชวนกันไปชวนกันมาอ้าวันนี้วันศิลป์วันพระเราไปวัดไปวากันเถอะอ่าแต่นี่คนไม่ค่อยเข้าวัดลายหมาลายหมาใหทานชาดกหลวงพอ่อสิเล่าฟองนลาเล่าให้ฟังฟังบอกอะเดี๋ยทำไมหมาไม่รูอ้ออน ใมโลกตัวหนึง่งมันก็วันพระมันเลยบอกไม่มีคนเข้าวัดวนะันนี้นะไปโลกเราไปวัดกันเถอะหมาไม่รู้ลกล่อนเลยเราไ้ฟังหลายเทรมันบ่าอะไรยินเลยไปอะไ้ยินกับบกข่องหลวงพ่อตนตัวมันได้มันได้เราอยู่ได้บอกเร ไม่หมาไม่หลงอ่อนตัวหนึ่งที่หลวงพ่อว่าถ้าไม่เข้าวัดเข้าวามันอายหมาี่มันบอนมันเบาเล็ดๆเนี่ยบันปินตัดท่านชาดกฟังว่าอวันพระวันสินหมาไม่หกงอ่อนตัวนึ่งชวนโลกว่าโลกเราไปวัดกันเถอะไม่มีใครเข้าวัดแล้วทุกวันเนี่ยเรไปเข้ารองหนังรองอ่อนหมดแล้วท่นหลกแล้ว ไอ้ที่นม่แต่ว่ามาวัดนั้นมันมีปราชา์พีดิบอยู่กอนสกถึงวัดกรนสกถึงกติภะ <c oughs> ประสาวพีดิบเนี่ยเขาเอาศกประเทศอินเดียนะเขามีปชาชญ์พีดิบเอาไปเที่ยงให้แล่งกินนะ <c oughs> ให้หมาป่าหมาป่าไม่เลยกินสากนะิกินศบเนาะ พอมาเดินเข้ามาเห็นศพวางขึ้นอืดเหม็นแต่ว่าหมามันหอมไนะด้เนาะโลูกก็ไปไปเห็นมันก็ดมพอโลกหมาหเลยบแม่แม่แม่ให้ให้หนูกินศพนี่ก่อนจึงค่อยไปกัแม่หมาบอกโอ๊ยกินไม่ได้หลักรูกกินไม่ได้ขอให้ลูกไปกินมันเถอะแม่ลูกอยากกินศพนี่แล้วเกินลูกจะ ก, กินตรงไหนล่ะ หมาอ่ะมาน้อยบ่ลูกอย่กินตามันอุ้ยตาของคนน่ะเลยลูกมันสบับยศหมดเท็จมันมงแต่ของลับลั บ, ล, บลี่ลี่ไม่มองแต่สิ่งที่ทำล่ลูกตาของคนนะ่ะมันแสสายหาสิ่งที่ย่อให้เกิดกรรมคุณเพื่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดจิเตเรศนากับข้อตามันแหละอย่าไปกิน แต่ลูกไปกินตามันละเจ็บเสียตระกูล น, นะลูกคนนะ่ะหมามันเบาเลยแม่เพี้ย น, <c oughs> นชายดกนะเ <c oughs> ออลูกหมาก็จะนั่งมันไล่ขนาดนั่นเลยแม่ไล่ไสิลูกแล้วง่ายลูกกินหูมั้ิอ้าวอีกแล้วหูมันเลยม่นดีเหมือนไรมันฟังแต่เสียงไปสบสอฟฟอฟังเสียงเพลงดนตีแสบแก้วหู ตู้ลมพงใหญ่ๆมันขนใส่รถไปเปิดดังลั่นก็พ้องหูนั่นหรือฟังแล้วมันก็ยั่วยวนเกิดกระโดดโลดเต้นเกิดกามมาละคะ่ะแล้ลูกกินจะเสียศักดิ์ศรีของเรานะลูกลูกหมากระชังเออมันไล่นนมาในเลยแม่อ่านนั่นแหละถ้าอย่งั้นไอ้ลูกกินจมูกมันทีแม่จมูกนั่นนั่นหรือว่ากันแบบนะี้เป็นลนา้านๆถงจมวก โซดินอะไรกินเหล้ากินยาบ้ายาหมาได้กินหรอกติดเหล้ากินบุหรี่ก็ติดบุหรี่ได้เป็นบ้างอะไรก็ตินะตินก่าทินเนอร์ตินเนี้ยติดไปดูสิไปดูหัวลมผงสถานีรถไฟหอหลมผงมันมีห้องซ่วมอยู่เดินไปตรงนั้นเหม็นกลิ่นขี้กลิ่นเยี่ยวแต่ว่าพวก ทินเนอร์เนี่ยติดกาวติดทินเนอร์เมื่อจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นแหละไหมเพียนอนเขาบอกหลวงพ่ออ่เนี่ยพวกนี่มันติดกิ่นทินเนอร์เมื่อได้เมื่อมันเมื่อไม่ได้กิ่นทินเนอร์มันจะมานั่งอยู่แถวแถวห้องน้ำห้องส้วมมันชอบกลิ่นฉุนๆอยู่นั่นเพราะจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะนะหมาก็เลยด่าโล้โอ้ยกินของโลกอ กินทุกคนเทียนมันไม่ค่อยชอบนะมันชอบกินเล้ากินบุหรี่กินกินเนื้อกินกาวกินอะไรไปอแล้วก็เมาโม่ข้าลันพันแทงกันเพราะกินเนี่ยโลกรักขโมยกัน โ, โลกหมาก็จะงอยแล้วก น, นให้ลูกกินลีดมั้งใช่ไหมรีดมันก็เหลือตบหดกัดแกวงโปโหดอัดทิดด่าพ่อด่าแม่ด่าครูอาจารย์ ทะเลาะกันเต็มบ้านเต็มมันก็พอลิ้นไงหรือตะบตะแบงไปได้ทุกทิศทุกทางแน่นอนไอ้เพี้ยนเฮ้ยนั่นแลอ๋อโบแมนงาวาเลยเอ่ามีานแชดกแต่ให้ลูกกินกายมันสิกินไหนมันเลยกินมือมันมือนั่นแหละมันฆ่าพ่อฆ่าแม่บันลักขโมยผิดศีลผิดธรรมก็เพราะกายเพราะมือนั่นเละขอเลยทั้งใันลูก แค่กินหัวใจมันจะหัวใจมันเหลือนั่นละร้ายเหล็เต็มตัวก็นั่นแหละใจนั่นแหละมันไม่มีอะไรหรอกมัคิดโต๊หกหมดเทดปิดช้อพยาบาทถ้ามันเกิดเดือดร้อนทุกวันก็ไม่พอใจนั่นเลยหมาหน่อยว่าโอ้โถไอชาติคนไม่มีอะไรดีเลย <c oughs> <c oughs> ลกันก็ว่าเดี๋ยวจะไปไหนไปหา เขาไปวัดเธอแล้วก็ไปพาแม่แม่ก็พาลูกม า, าไปในฐานชาดกเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศหลายชนิดอ่าววันนี้เราก็สมาทานศีลกัน